สวัสดีค่ะทุกคนก็เพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าไม่ใช่เพราะไทยนะคะเนื้อหาของเพลงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอารมณ์แบบเศร้าๆหน่อยเออใครฟังก็อาจจะมีน้ำตาคลอหน่อยนึงยังไงก็เดี๋ยวไปลองฟังกันดูนะคะ 如 ちゃんと眉眺 I'm sorry.